อะไรก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมเรามาทำกุกกักในพรรษาอันนั้นไม่ถูกต้องก่อนเข้าพรรษาควรจะเตรียมพร้อมน ะ, ะช่วยกันดูพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่ามันหลวงพ่ออินเสกคาถาเป่าพูดพาดขึ้นมาแล้วก็เป็นกุฏิเป็นศาลาเป็นทางยงกรมไม่ใช่หลวงพ่อก็เดใหม่ๆมาใหม่ๆก็ลงทุนอย่างขนานหนัก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 ที่พักพาอาศัยมันก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันแต่พอไม่น่าอยู่แล้วก็ตำหนิกุฏิเป็นอย่างั้นกุฏิเป็นอย่างนี้นนนทำไมไม่ติดตัวเองทำไมไม่ตำหนิตัวเองทำไมเราจึงโง่นักเหมือนกับนกขมินตำหนลิลิงลิงทำไมท่านก็มีหัวมีหูมีมือเหมือนกับมนุษย์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 สมาธิของข้าก็สั้นอีกต่างหากเแต่ทําไมนกจะมาดูถูกเราเนะี่ยอย่างมองคนอื่นนี่นะทำไมนกขมิ้นจึงมาดูถูกเราเราจะขยี้ของเธอรังของเธอเดี๋ยวนี้พอพูดท่านั้นเนี่ยนกขมิ้นก็บินรีบบินออกจากรังขณะที่ฝนตกงลิงก็เข้าไปขยี้แหมอกระจุยกระจายหมดนะ ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วว่านิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอวัยวะของเราแข่งขาตีมือของเราก็มีอยู่แต่เรามันโง่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเราโง่ลิงโง่เราอย่าให้เป็นลิงสรุปแล้วพระของเราอย่าให้เป็นลิงให้เป็นพระตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขที่พักผ้าอาศัยของเรา ถ้ามันเกินกว่าที่เราจะทำได้เราก็ตอกบอกหมู่กูบาลจยานว่าตรงนั้นมันรั่วมันแตกมันมีปัญหาเราทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมู่กูบาลจานสมัครพักพวกรวมกันเพราะว่าเสนาสะนะทุกอย่างมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่เสกคาถาอย่างที่ผมพูด พวกเราเนี่แหละเป็นร่วมกันผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นมีอยู่ อ, อถ้าหางว่ามันจนปัญญาจริงๆมันเหลือบากกว่าแรงบอกผมทีนี่ทางด้านวัตถุที่ทําทไม่ได้ไม่มีหรอกถ้าอยู่ในวัดเนี่ยเบนเสียจะทําเครื่องยงนต์กลไกเรื่องเครื่องบุ้เครื่องบง่งเครื่องบินเอ อ, อย่างนั้นเออเ ร, เราทําไม่ได้แต่ภายในวัดเนี่ย ที่เราใช้อยู่ศสนาชนะทั้งหลายทั้งปวงมันทําได้ทั้งนั้นพร้อมที่จะทำทำได้ไม่เหลือวิสัยแต่ว่าถึงยังไงขนาดเล็กๆน้อยๆเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันดูแลทางเดินจงกรมท่านเดินไปมาหาสู่กันทางเมนกลางบ้างช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาดะ สะอาดวัดวาศาสนานิ่จวนจะเข้าพรรษานี่ยพูดจวนจะเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วพวกเราจะหยุดแต่ที่พักพ้าใส่ไม่ให้บรบกวนกันใครจะอดอาหารใครจะทําความภาคเพียรอย่างไรใครจะทําความมากน้อยแค่ไหนในพรรษานี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายเพรพวกท่านทั้งหายมาเพื่อการศึกษาส่วนหนึ่งมาเพื่อปฏิบัติส่วนหนึ่ง Ends. เมื่อศึกษา huh. แล้วปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปชใช้ที่อื่นใช่เอาไปใช้ที่อื่นก็จริงอยู่แต่ก่อนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนแล้วแล้วเอาไปใช้ที่อื่นเพอเพอมันไม่ได้ผลเลยถ้าทำยังไงทาว่าเราเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้ปฏิบัติ ใช่ถูกต้องถูกทางเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นธรรมคาสอน เ, ออเราก็ได้รับความสงบทางท่านจิตใจด้วยเมื่อเราเรียนแล้วลงลงมือปฏิบัติทั้ง เ, เรียนแล้วก็ลงทดลองด้วยทดสอบด้วย เ, เหมือนกับเขาเรียนช่างคนอย่างนั้นพอเรียนเสร็จแล้วก่อนรีบแก้ไขทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลย เราจะเรีรู้ว่าทําผิดได้ทําถูกไม่ใช่ว่าเรียนเรียนเรียนจบแล้วนู่นเก้าปีสิบปีแล้วยังไปตั้งบริษัทไปทําแห่งเบอเ์เผยความรู้ที่เราได้เรียนได้ประสบการณ์มามันก็สู้คนที่เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยสั่งสมคุณงามความดีไปด้วยทิศจะดีด้วยปฏิบัติด้วยทิศจะดีด้วยปฏิบัติด้วยคนนั้นคนนั้นจะ มีความรู้แล้วไอ้กิจาการของเขาจะเจริญมากกว่าที่คนเรียนทั้งหมดแล้วจะค่อยไปประกอบการฮะนี่ก็เหมือนกันแนะพวกเรามาศึกษาที่นี่เรียนด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบัติไปด้วยเรียนไปด้วยศึกษาไปด้วยศึกษาก็คืออะไรคือส่วนหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์แนะนำฟังธรรมเทศนาส่วนหนึ่งก็ศึกษาตำรับตาราบ้างจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ นี่แหละอันนสถานที่ปฏิบัติของเราเนี่ยผมพูดเรื่องสถานที่ปฏิบัติของเราเนี่ยสัปปายะเนี่ยเสยนาสนะสัปปายะเนี่ยจะทํำยังไงไม่ใช่ว่ากุติหลังคารั่วอย่างนี้ก็เฉยเนีย่ยหลวงปู่ชาญผมเคยยกมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยพระพระรังบอกว่าผมเลยวางเฉยเฉยก็ระทั่งว่ากุติของผมเนี่ย ไอ้ลังคามันรั่วผมก็ไม่ได้สนใจเฉยว า, างเฉยไม่ได้สนใจหลวงปู่ชาบอกว่าถ้าวางเฉยแบบนั้นไอ้าวางเฉยแบบควายนมันวางเฉยแบบควายฉันว่าไม่ใช่ผู้มีปัญญาถ้ามูผู้มีปัญญาอันไหนควรจะวางอันไหนควรจะปฏิบัติอันไหนควรจะยึด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 ของท่านทั้งพวินัยทั้งพสูตพสูตรก็คือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะอย่างที่ผมเล่าเป็นชาดกให้ฟังพระสูตนะนกขมิ้นกับลิงนกขมิ้นตําหนิลิงท่านมีครบทุกอย่างแต่ทำไมท่านไม่ทําบ้านพักพาอาศัยนี่แหละอันนี้คือพระสูตคือเปรียบเทียบพวิณัยคือกดระเรบีย มรรถธรรมคือคำสอนในปัจจุบันทำใจอย่างไงจริงจะจิตใจจริงจะสงบจิตใจจริงจะนิ่งเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสมาธิเนี่ยเราทำอย่างไรในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เดินปัญญาเดินวิปัสสนาปัญญาเดินอย่างไรอันนี้ท่านก็สอนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละเราเดินตามตามขั้นตาม ลำดับที่พ่อแม่ครูบาจาะแนะนําสั่งสอนนพวกว่าไม่เหลือวิสัยเพราะท่านพาเดินมาแล้วพวกเราเดินตามไม่เหลือวิสัยเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะจวนจะเข้าปรรษาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสถานที่ะจะให้คาดตุกบกป้องในปรรษาที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะตลอดถึงการท่อง ท, mm. ที่ปวดใหม่พักปวดใหม่แต่ให้ท่อง ทำอธิษฐานพรรษานะอย่าให้ขาดตุกบวกว่องนะถึงวันนะผมจะวัดถามนะจะเรียงลําดับใครอธิษฐานมาพรรษาไม่ได้ไม่ให้เข้าพรรษานะให้ออกนอกวัดะก่อน <c oughs> ถ้าใครถ้าใครอธิษฐานพรรษาไม่ได้ <c oughs> ออธิษฐานไม่ได้ทําไงต้องออกนอกวัดะก่อนเ <c oughs> มื่อเรียนจบยังค่อยเข้ามาเ <c oughs> ข้าพรรษาหลังเนี่ยเพราะนั้นเน่ยต้องเรียนนะของเรานี่ยทำไมเรียนจะรู้ได้อย่างไร ถ้าไม่เรียนจะจำได้อย่างไรต้องเรียนนะรับพรอ น, อนุมทนาให้พอ